การปฏิบัติธรรมมีสองตอนสองภาคภาคที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งภาคที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการสอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริง การปฏิบัติสองตอนนี้ไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมกันเวลาทําสมาธินี่เราไม่ต้องการเจริญปัญญาเราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบนานๆไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิพอจิตเริ่มนิ่งก็เอามาเจริญปัญญามันก็ไม่นิ่งเพราะการเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดส่วนการ จเจริญสมาธินี้ต้องหยุดความคิดฉนั้นเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้มันเป็นเหมือนสองระดับระดับแรกคือระดับสมาธิระดับที่สองเรียกว่าระดับปัญญาถ้าจะเปรียบกับการเรียนหนังสือก็อาจจะสมาธิอาจจะเป็นระดับปถมเรียนไป6ปีเรียนให้จบปถมก่อน เราเห็ค่อยไปเรียนชั้นมัธยมเีเวลาสอนเนี่วลาพูดในคนฟังไม่เข้าใจบอกว่าพอจิตสงบแล้วก็เจริญปัญญา mm hmm. ก็เลยคิดว่านั่งสมาธิพอจิตนิ่งก็ให้เจริญปัญญาอันนี้ไม่ใช่วิการปฏิบัติที่ถูกต้องการที่ถูกต้องคือกา้นที่หนึ่งฝึกสมาธิ ทำให้จิตให้นิ่งนานๆให้มันนิ่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นิ่งแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิออกจากสมาธิมาก็ต้องนิ่งเพราะความนิ่งนี้มันต้องเอามาใช้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิจะเอามาใช้ตอนออกมาจากสมาธิเพราะถ้าจิตไม่นิ่งนี่เอามาเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าจิตไม่นิ่งมันจะคิดถึงเรื่องของกิเลส เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่อง เ, อเรื่องแฟชั่นเรื่องกระเป๋ารองเท้ามันจะไม่มาคิดถึงเรื่องความตายความแก่มันไม่มาคิดถึงเรื่องอสุภะเังนแ้นขั้นแรกของการปฏิบัติต้องฝึกจิตให้นิ่งตลอดเวลาก่อนไม่ใช่นิ่งเฉพาะเวลานั่งสมาธิ เนั่งสมาธิไปประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีจิตเริ่มนิ่งะจะไปทางปัญญานะไปไม่ได้ไปก็ไปได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นกิเลสไปเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องของกิเลสไปไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ, อันนีนน้การปฏิบัติจริงๆ น, นักปฏิบัตินี่ บางคนใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะได้สมาธิกว่าจะไปทางปัญญาได้อันนี้อาจจะไม่มีใครพูดไม่มีใครอธิบายให้ฟังค <Yeah. S 1> นส่วนใหญ่คิดว่านั่งสมาธิแล้วก็จะเริ่มนิปัฒนาต่อ mm. ยังไม่ใช่ <Yeah. S 1> ต้องฝึกสมาธิ ให้เข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาให้มีความนิ่งให้มีความอิ่มมีความสุขใจตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมาใช้ปัญญาเพราะว่าเวลาจิตสงบในสมาธินี่มันมันนิ่งจริงๆริงพิเรตัต้นหาตัวปัญหา ตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้มันหยุดทำงานในขณะจิตที่เข้าอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาจิตมันก็คิดปรุงแต่งได้ถ้าเผลอสติไม่ควบคุมความคิดเดียวมันก็คิดไปในทางความอยากขึ้นนะแล้วก็ มันก็จะสร้างความปานป่วนใจขึ้นมาตอนนั้นน่ะถ้าเราทำนานทางสมาธิเราก็มาฝึกใช้ปัญญาสู้กับกิเลสตัณหาเวลากิเลสตัณหาอยากจะไปทำอะไรก็ถามมันว่าทำล้วได้อะไร ได้ความสุขนานแค่ไหร่แล้วทำให้ความทุกข์หายไปหรือเปล่าหายไปอย่างถาวรหรือว่าหายไปเดียเด๋ยวๆเวลาทุกข์อยู่บ้านเหงาเศร้าว้าเวก็อยากออกไปเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จแล้วความเหงาก็หายไป เดี๋ยวพอกลับมาบ้านความเหงา ก, กลับมาใหม่เราไม่รู้ว่าความเหงาเกิดจากอะไรแล้วิธีกำจัดความเหงาที่ถูกต้องต้องกำจัดอย่างไยความเหงาก็คือความทุกข์เนี่ยเวลาเหงาเนี่ยมันสุขหรืทุกข์อะว้าเวเนี่ยเรียกว่าทุกข์ พระตจ้าบอกว่าทุกเกิดจากความอยากอยากไปเที่ยวพอไม่ได้เที่ยวพออยู่บ้านก็เหงาก็ทุกนั้นวิธีที่จะแก้ความเหงาเนี้ให้แก้อย่างไงไม่ใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวมันก็แก้ได้เดียวเดียวเวลาไปเที่ยวความเหงาก็หายไปแต่พอกลับมาบ้านความเหงาก็กลับมาใหม่เพราะความอยากมันไม่หาย ความอยากมันก็กลับมาใหม่อยากเที่ยวก็กลับมาใหม่วิธีที่จะทำให้ความอยากเที่ยวหายไปก็คือต้องไม่เที่ยวตอนนั้นเวลาอยากเที่ยวก็ไม่เที่ยวไปนั่งสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วก็ไม่เดือดร้อนพอเกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาพอมีสติรู้ทันหยุดความคิดอยากเที่ยวได้ความอยากเที่ยวก็ หยุดไปความเหงาก็หายไปทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ทําอย่างนี้พออยากเที่ยวก็ทําใจให้นิ่งให้สงบหยุดคิดซะพอหยุดคิดก็หยุดความอยากเที่ยวได้ต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหมดกําลังไปแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวต่อไปจะอยู่บ้านแบบไม่เหงาอยู่ยังมีความสุขที่ไหนจะดีเท่าบ้านเราถามจริงๆ ไปเที่ยวที่ไหนไปกินไปนอนที่ไหนสู้กินนอนบ้านเราได้ไหมสบายจะตายไปไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องขึ้นเครื่องไม่ต้องขนกระเป๋าขนอะไรเสื้อผ้าขนไปขนมาย้ายไปย้ายมาอยู่บ้านนี่สบายมีของครบบริบูรณ์ทุกอย่างแต่อยู่ไม่ได้ เพราะเหงาเพราะอยากไปข้างนอกอันนี้ขั้นปัญญาจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเข้าสมาธิได้หยุดความคิดได้เพราะความอยากจะความคิดพะมันอยากว่าเราก็หยุดความคิดทำใจให้นิ่งสงบความอยากก็หยุดไปทำบ่อยๆมันก็หายไป มันก็ไม่หมดมันก็หมดกําลังเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าการไปทําตามความอยากไม่ได้เป็นวิธีกําจัดความอยากแต่เป็นวิธีต่ออายุของความอยากให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็เที่ยวใกล้ๆ่อไปก็เที่ยวไกลายไปเงินต้องใช้เงินมากขึ้นถึงอยาะ ถึงจะมันถึงจะสนุกมันต้องความอยากมันจะอยากเพิ่มทําไมเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องสะดุดเพราะว่าเงินมันต้องไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็เดือดร้อนจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ก็กลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นมาเหงาอยู่บ้าน แต่ถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาที่เราต้องการพอเกิดความอยากไปเที่ยวก็เราก็หยุดมันเข้าสมาธิไปพอเข้าสมาธิก็สุขก็อิ่มใจสบายใจไม่เหงาอยู่บ้านได้ก่อนที่จะไปทางปัญญาได้ปัญญาก็คือให้เรารู้ว่าความทุกข์ความ ปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราความทุกข์ความไม่สบายใจของพวกเราอยู่ที่ความอยากของเราพออยากปุ๊บนี่ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้อยากไม่ให้ฝนตกมก็จะไม่สบายใจนะอยากให้คนนั่งเฉยๆแล้วเขไม่นั่งเฉยๆก็ไม่สบายใจแล้วลาคาญ ไม่ไม่มีความอยากมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะทำอะไรก็ทำไปผลจะตกแดดจะออกก็เรื่องของมันพอมีความอยากแล้วเดือดร้อนถ้าไม่ได้ดังใจอยากตอนนั้นต้องหยุดความอยากให้เห็นว่าวิธีที่จะแก้ความเดือดร้อนใจไม่สบายใจคือต้องไม่ทำตามความอยากต้องหยุดความอยากกลับไปตรงจุดที่ไม่มีความอยาก อย่ตอนนี้เราไม่มีความอยากเราสบายนไหมเดี๋ยวเรามีความอยากดูนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอยากเข้าห้องน้ํำนี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ะ <Okay. S 1> กะวนกะวายกะสาบกระสายเมื่อไหร่จะให้พอนาที <c oughs> <laughs> จะได้เข้าห้องน้ําได้ <c oughs> แต่ถ้าบอกว่าไม่ไปไม่อยากไปมันจะฉี่กันมันฉี่ไปมันจะล拉ก็ปล่อยมันลากไป <c oughs> จะนั่งอยู่ตรงนี้ใจก็จะไม่เดือดร้อนอ <c oughs> อ น, นี่ <c oughs> ก่อนที่เราจะมาสู้กับความอยากใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวได้ความสุขชั่วคราวดับความทุกข์ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอปัญหาเดิ ม, มเพราะเราต้องกลับมาที่เดิมกลับมาที่บ้าน ไปไหนมาไหนไปทั่วโลกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่บ้านพอามาอยู่บ้านได้วันสองวันก็เบื่อแล้วอยากจะออกเ่ลาแต่ถ้าเราไม่ออกไปเลยมันอยากจะออกก็เฟื่มันไปนมึงอยากจะออกกูไม่ออกสอย่างเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังที่จะมาสร้างความเบื่อหน่ายให้กับเราแล้วต่อไปเราก็จะอยู่บ้านได้อย่างตลอดเวลา เหมือนคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเวลาอยากจะสูบบุหรี่ใจก็หงุดหงิดกระสับกระส่ายเลยแก้ด้วยวิธีสูบบุหรี่อพอได้สูบบุหรี่หายใจทั่วปอดเอาควันเข้าไปทั่วปอดสูบแล้วก็เบาสบายใจหายหงุดหงิดรำคาญเดี๋ยวสักพักหนึ่ง เกิดความอยากขึ้นมาใหม่นะอยากจะสูบมวนใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ได้สูบมือไม้สันนะ่นหงุดเหงยดรังคานี่แหลนะนะถ้าสูบเดี๋ยวมันก็มันก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวความอยากมันก็กลับมาใหม่ความอยากมันจะมาเหมือนคลื่นในทะเลมันจะไหลามาเป็นระลอกระลอกวิธีที่จะทําให้ไม่มีขึ้นทำไง ทำให้ทะเลมันเล่งยงดูเวลาที่ทะเลมันเลี้งมันไม่มีขึ้นใจเราก็เหมือนกันถ้าวิธีจะทำให้ไม่มีความอยากก็ทำใจให้เราเนิ่งไปทำสมาธิเวลาเกิดความอยากก็ไปทำสมาธิเอาํำสมาธิใจก็นิ่งความอยากก็หยุดไปทาอย่างนี้ไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากมันหมดกำลัง แล้วมันจะไม่โผล่ไหมคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้เพราะอะไรเพราะฝืนความอยากสูบบุหรี่ได้พออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบครั้งต่อไปมันความอยากเกิดขึ้นมันก็ไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกมันจะลดกําลังอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆลดไปทีละครึ่งทีละครึ่งตอนต้นขึ้นมาร้อยหนึ่งพอไม่ทําตามมันครั้งที่สองขึ้นมาแค่ห้าสิบ รั้งที่สาก็เหลือแค่ยีบห้าทั้งที่สี่ก็เหลือสิบสองจุดห้าทั้งที่ห้าก็เหลือหกจุดกว่าเี๋ยวเดียวต่อไปมันก็หมดลทธิ์ไปเองความอยากคนที่เลิกบุเรยได้ก็เพราะเขามีกำลังใจที่จะสู้ความอยากกำลังใจก็คือสมาธิทำใจให้นิ่งให้ได้แล้วใจจะไม่ กวนกวยไม่กระเพื่อมไม่กระสับกระสายไม่มีหมดุดหง็ดไม่ลำคานแต่ถ้าไม่มีสมาธิอย่าไปลองสู้กับปีเลศเลยสู้เท่าไหร่ก็แพ้มันลองตั้งใจอย่างดีปีนี้จะไม่สู่ผลิไม่กินเหล้านี่จะตั้งได้แค่สามวันเจ็ดวันก็หมดกำลังนะปีใหม่นี้จะถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นอลองดูสิ ใครลองมาถือศีลแปดไม่กินข้าวเยน็นหรือตามปีใหม่ลองตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานดูดูซิว่าจะทำได้สักกี่วันแต่ถ้ามีสมาธิทำไปได้เรื่อยๆฝึกสมาธิไปเรื่อยๆมีสมาธิแล้วมันจะบรรเทาอาการกระสรับกระสายได้ทำให้ไม่ต้องไปทำตามความอยากได้ ห็นต้องเข้าใจว่าสมาธินี้มีไว้เพื่อทำใจให้นิ่งปัญญา ม, มีหน้าที่เตือนใจสอนใจให้รู้ว่าการไปทำตามความอยากเป็นการไปสร้างปัญหาให้กับใจไม่ใช่เป็นการระงับปัญหาระงับความทุกข์ใจพออยากแล้วมันก็ยาวไปเลยมันจะไม่จบ ถ้าไม่ถ้าติดแล้วมันติดบุหรี่นี่มันต้องสูบไปจนกระทั่งตายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยสูบไม่ได้อยากน้ำตาลก็เหมือนกันพวกชอบกินของหวานๆเนี่ยระวังเดี๋ยวก็เบาหวานขึ้นหมอก็ต้องบอกห้ามกินละพวกไขมันก็เช่นเดียวกันชอบของมันๆเดี๋ยวก็หมอก็บอกไขมันอุดตันเส้นเลือดนะต้องหยุดต้องกินยา นีนะ่ความอยากมันพาไปสู่ปัญหาที่มุนแรงขึ้นไปตามลาดับมันไม่ได้กาจัดปัญหาให้หมดไปวิธีที่จะแก้ปัญหาให้หมดไปก็คือการไม่ทําตามความอยากจะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้นก่อนที่เราจะไปใช้ปัญญาสู้กับกิเลสเรามาฝึกสมาธิกันก่อนทําจิตให้นิ่งสงบจริงๆให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขานี้จะสู้กับความรักชังกลัวหลงได้เพราะเวลาจิตมีความอุเบกขามันจะไม่มีรักชังกลัวหลงเห็นบุหรีก็ไม่รักเห็นขนมก็ไม่รัก เห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่ชังเห็นคนที่ไม่ชอบที่หน้าก็ไม่ชังใจเฉยได้สมาธิทำให้ใจเฉยใช้เป็นกางแต่มันยังฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าความอยากไม่ได้มันยังยังไม่รู้ว่าความอยากนี้มันเป็นอย่างไรต้องใช้ปัญญาสอนดู ลองนึกภาพดูว่าถ้าทำตามความอยากมันจะพาะเราไปสู่วสู่อะไรกันความอยากของมนุษย์นี่ขั้นแรกก็คืออะไรเกิดมาก็อยากมีกินมีอยู่ใช่ไหม อ, อยากอยู่ดีกินดีอพออยากอยู่ดีกินดีแล้วมันจบตรงนั้นหรือเปล่าต่อไปก็อยากจ ะ, ะรวยอยากจะรวยอพอรวยแล้วก็ <c oughs> อยากจะเป็นใหญ่เป็นโต คนรวยก็ไปเล่นการเมืองกันนะคนมีเงินก็ไปแสวงหาอำนาจต่อพอได้อำนาจก็อยากจะมีอำนาจไปนานๆานมีอำนาจไปจนวันตายแล้วพอตายก็อยากจะไปสวรรค์นีก <c oughs> <c oughs> นี่คือกระบวนการของความอยากแล้วกว่าจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาเหมือนฝนตกหรือเปล่าอยากจะอยู่ดีกินดีมันมาเฉยๆหรือเปล่า พออยากควบมันมาตอบสนองเราเลยหรือกปล่าต้องดินน้นรนหาเงินหาทองมาซื้อปัจจัยสี่ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคตอนต้นก็ซื้อถูกๆ ก, ก่อนถ้าไม่มีเงินมากพอมีมากขึ้นก็ซื้อของแพงของมีมียี่ห้อแล้วตอนต้นก็ใช้ของไม่มียี่ห้อ อาหารก็ไม่ต้องมียี่ห้อของของข้างถนนก็กินได้แต่ต่อไปพอมีเงินนั้นต้องของอาหารต้องมียี่ห้อต้องมียี่ห้อนั้นมียี่ห้อนี้เสื้อผ้าของใช้กระเป๋ารองเท้าคอนต้นใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ต่อไปพอมีเงินนั้นต้องยี่ห้อดีขึ้นไปเรื่อย บ้านก็เหมือนกันตอนต้นเช่าบ้านเช่าตึกแถวอยู่ก็ได้เพราะมีที่หลบแดดหลบฝนได้ mm hmm. พอมีเงินมากขึ้นทีนี้ก็เอาสีต้องซื้อบ้านของตัวเอง mm hmm. เดี๋ยวตอนต้อนก็ซื้อบ้านเล็กๆ mm hmm. ต่อไปก็ไม่พอแล้วของเยอะแต้องมีของเก็บเยอะขึ้น mm hmm. ต้องบ้านใหญ่ขึ้น มีบ้านในเมืองแล้วก็อยากจะไปเชื่อบ้านนอกเมืองอีกอเวลาออกไปต่างจังหวัดไปซื้อรีสอร์ตอยู่ซื้อตามรีสอร์ตอยู่ชายทะเลคอนโดยมันก็นำไปสู่การวุ่นวายกว่าจะได้ของเหล่านี้มาี่ต้องไปทำงานทำการเหนื่อยยากั้ยต้องไปมีปัญหามีอะไรกับคนนั่นคนนี้ แล้วถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็ไปทําผิดกฎหมายหนีภาษีกงภาษีเดี๋ยวสัมภาระก็มาพ้องจับหรือถ้าไปกงเขาเดี๋ยวก็ถูกเขาแจ้งความจับเข้าคุกเข้าตารางอะเงี้ยนี่คือกระบวนการของปัญหาต่างๆที่มันจะตามมาถ้าเราไม่ควบคุมความอยากไม่หยุดความอยาก ถ้าหยุดความอยากได้ก็อยู่แบบพระนี่ได้สบายวันหนึ่งไปบินสบัดคนเดียวก็พอจบหลังจากนั้นก็อยู่คนเดียวสบายสบายนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่ า, าไม่ต้องไปมีน้ำชากาแฟไม่ต้องมีเครื่องดืง่มที่มีรสมีสีมีสันนนี้ก็เป็นความอยากทั้งหม อาหารก็อะไรก็ได้พอให้มันอิ่มท้องตามมีตามเกิดบินตาบาดเขาให้อะไรมากินได้ทั้งนั้นถ้ากินวันละมื้อนี่โอ้โหอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเชื่อไหเพราะมันยีิบสี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินสักครั้ง<ม>วันนี้เรากินมาเมื่อเช้านี้แปดโมงครึง่งก่อนจะได้กินอีกครั้งก็พรุ่งนี้แปดโงคึ่ง พอถึงพุ่งน้อยพุ่งนี้ข้าวเปล่าก็อร่อยเ <c oughs> ชื่อไหมข้าวนี่หวานนะ่ลองกินดูเวลาหิวหิวนี่ข้าวเปล่ า, าก็หวานข้าวมีรสนะไม่เชื่อลองอดดูทั้งวันเลยข้าวคลุกน้ําปลาเนี่ยโหวิเศษแต่ถ้ากินวันละสามมื้อนี่เห็นข้าวก็กินไม่ลงนะ <c oughs> เพราะร่างกายมันไม่ต้องการแต่ใจมันต้องการ ใจอยากกินแต่ร่างกายมันไม่ดูดดื่มไม่มีความต้องการอาหารมันก็เลยกินไม่อร่อยก็เลยต้องสรรหาอาหารพิศดารให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นไปถึงจะกินได้แต่ถ้ากินวันละมื้อนี้ไม่ต้องปรุงแต่งอาหารที่เขาทำมาขุยต๋องขวยเตี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำตาล น, น้ำชะน้ำส้มน้ำอะไรตา่างสินน้ำที่เขาทำมาให้นี่ก็อร่อยแล้ว นี่คือเรื่องของความอยากมันจะพาเราไปสู่การดิ่นลนไม่มีวันสิ่งสุดตายไปก็ยังอยากอยกู่ร่างกายตายแต่ความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพยายามที่จะไม่ไม่กินเพื่อจะดับความอยากไม่กินอาหารหนึ่งสี่สิเก้าวันความอยากมันก็ยังมีอยู่ มันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายพระเจ้าบอกถ้ากินถ้าอดไปก็ตายความอยากก็ไม่ไม่ตายก็เลยโรคอดนี่สาเหตุที่พระเจ้าอดพระกายอาหารสี่สิบเก้าวันแล้วไม่สําเร็จดับความทุกข์ไม่ได้เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตอนต้นคิดว่าอยู่ที่ร่างกายอยาก ก, นนอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่ทั่นก็เลยไม่กินมัน อดมันดึงแต่น้าเปล่าสี่สิบเก้าวันมันก็ยังอยากอยู่เหมือนเดิมเลยมาค้นหาดูว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ความอยากความอยากก็เกิดจากการที่เราปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปถึงอาหารต่างๆสิ่งต่างๆที่เราเคยกินเคยอยากกินพอคิดถึงมันมันก็หิวขึ้นมา ทั้งทั้งที่ร่างกายบางทีอิ่มแล้วยังหิวขึ้นมาได้กินอาหารเสร็จไปใหม่ๆเดี๋ยวคิดถึงขนมนมเนยก็อยากกินขึ้นมาอีกนะพระพุทธเจ้าก็เลยมาหยุดความอยากที่ใจแทนที่จะไปหยุดที่ร่างกายก็เลยกลับมารับประทานอาหารเพื่อให้มีกำลังอพอมีกำลังก็มานั่งสมาธิเอาสมาธิมาสู้กับความอยาก เวลาความเกิดความอยากก็ไม่ทำตามความอยากแต่อาหารให้ร่างกายกินได้แต่กินเป็นเวลาไม่ให้กินตามความอยากเช่น ใ, ให้กินเวะลามื้ออย่างนี้เหมือนเติมน้ามันรถเนี่ยเติมทีเดียวเติมมันเต็มถังไปเลยเติมหนเดียวไม่ต้องเติมทีละหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ถังตเติมนั้นเดียวก็เติมอีกเติมอีกอย่างนั้น ที่มันเติมได้เยอะเพราะถังมันถังมันมันขยายตัวได้ท้องนี่มันถ้ากินเข้าไปเดี๋ยวมันขยายตัวได้ยัดมันเข้าไปเหมือนลูกโป่งะร่างกายมันถึงพองเหมือนลูกโป่งะนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาต้องมีสมาธิก่อน เหมือนคนที่จะไปทํางานเนี่ยก่อนจะไปทํางานไดน้ต้องพักผ่อนหลับนอนกินข้าวก่อนถ้าปล่อยให้ทํางานทั้งวันทั้งคื น, นไม่มีเรี่ยวแรงเวลาทํางานเหนื่อยแล้วก็ต้องกลับไปบ้านไปพักผ่อนหลับนอนไปรับประทานอาหารพอตื่นขึ้นมารับประทานอาหารต่อมีเรี่ยวแรงทีนี้เอาไปทํางานได้ ใช้ทําทงานโดยที่ไม่มีการพักผ่อนหลับนอนไม่มีอาหารนีไม่มีแรงซึ่งทำได้หรอ mm hmm. ถ้าเป็นทหารให้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็สู้ไม่ไหว mm hmm. ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอันใดถ้าไม่มีสมาธิก็ไปสู้กิลเลสไม่ได้ mm hmm. การที่เรามาฝึกนั่งสมาธิการที่เรามาใช้ปัญญานี้ เพื่อใช้เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือไปต่อสู้กับกิเลสไปฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี้มันเป็นตัวปัญหามันตัวทำให้ใจเราไม่อยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้อยากนูน่นอยากนี่แล้วต้องไปทําตามความอยากแต่ทาตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ไม่หมดสักทีความอยาก มีโผมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันไม่โผลขึ้นมาก็ไม่ต้องไม่ทำตามความอยากโดยการใช้ปัญญาให้นึกถึงภาพที่จะเกิดขึ้นหากเราไปทำตามความอยากมันก็จะพาให้เราต้องไปหาหนูน่นหานีซนน่ซื้อนู่นซื้อนี่มาอยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ มาหาใหม่มาซื้อใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายให้นึกภาพเหล่านี้เรียกว่าปัญญาว่าการทําตามความอยากแล้วนําไปสู่ความทุกข์ทุกรูปแบบเนี่ยความทุกข์ทุกรูปแบบที่มนุษย์เราพบกันนี่เกิดจากความอยากเนี่ยคนน้องหมร้องไห้คนหนีประเทศไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากความอยากทั้งนั้นเลย อ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไปทาผิดกฎหมาย เ, าเขาจะจับไปติดคุก อ, อยากไม่ติดคุกก็ต้องหนีก็ต้องไปอยู่ที่ปัญหาตานาชนิดนี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากทั้งนั้นทั้งหลายอยากแล้วไม่สามารถควบคุมการกระทำของเราไม่ให้ไปทําผิดกฎหมายได้ พวพี่มาเกิดเป็นสี่เท้านี่ก็เหมือนกันก็เป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมไปลักขโมยไปข่าไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงนี่ตายไปก็กลับมาเป็นพวกสี่เท้ากัน้นะถ้ายังไม่ตายเขาก็ต้องจับไปขังไว้ในกรง พวกที่ทําผิดศีลธรรมนี่เห็นไ้มไปที่คุกตารางเนก็เป็นที่อยู่ของพวกที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีสองเท้าแต่ใจมันกลายเป็นสี่เท้าไปแล้วใจมันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวแบบนี้คนที่โกหกหลอกตัวแนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปล่อยให้อยู่กับมนุษย์ไม่ได้ ก็จะไปเบียดเบียนมนุษย์ไปสร้างปัญหาให้กับมนุษย์เพราะจึงต้องจับไปขังไว้ในคอกในกรงเนีคอกกรงของมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์ก็คือตารางคุกตารางหรือไม่เช่นั้นก็ต้องในประเทศให้ไปอยู่ที่อื่นพวงที่มายางติดคุกก็ต้องไปอยู่ที่อื่น นี่คือให้นึกถึงภาพของการทำตามความอยากตา่างๆมันจะพาไปสู่ปัญหาทุกรูปแบบความทุกข์ทุกรูปแบบที่เราต้องมาแก่มาเจ็บมาตา ย, ยากันก็เพราะความอยากเดี๋ยวตายไปก็กลับมาเกิดใหม่พราะยังอยากดูอยากฟังอยู่ อยากดูอยากฟังก็ต้องมีตามีหูอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากสัมผัสก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างก็ไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่นี่เรียกว่าปัญญาคิดแบบนี้เรียกว่าคิดแบบทางปัญญาที่ถ้าเห็นเห็นภาพของ ของของผลที่จะเกิดขึ้นจากการไปทําตามความอยากตา่ตางๆมันจะพาให้เราต้องไปดิ้นรนไปไปต่อสู้เนี่ยสงครามนี้ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความอยากอยากจะเอาแผ่นดินของคนอื่นเนี่ยก็เลยไปทําสงครามถ้าชนะก็ไปยึดครองแผ่นดินเขาเดี๋ยวพวกที่เจ้าของแผ่นดินเขามีกําลังเขาก็ลุกคือขึ้นมา ขับไล่ให้ออกไปใช่ไหมพวกที่เมื่อก่อนนี้กระด่าอนาณิคมเลยแต่ต่อมาพวกที่ถูกถูกล่าเขารวมตัวกันได้มีอาวุธมีกําลังเขาก็ขับไล่ออกไปได้เมื่อก่อนอินเดียแถวเนี้ย เ, เป็นของอังกฤษฝรั่งเศสเพราะเขามีอํานาจเขามีปืนเขามีระเบิด พวเรามีแต่หอกมีแต่มีดมีแต่ธนูก็สู้เขาไม่ได้แต่พอเรามีกำลังขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ลุกเคยอกขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้เป็นของอังกฤษแล้วนะอินเดียปากีสถานมาเลเซียสิงคโปร์เมื่อก่อนเป็นของอังกฤษเดี๋ยวนี้เป็นของ คนพื้นที่แล่ะปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากความอยากความไม่อิ่มความไม่พอของใจของมนุษย์เรานี่แหละเพราะไม่รู้จักวิธีทำให้ใจอิ่มให้พอพระพุทธเจ้าก็ารู้ว่าการจะทำใจให้อิ่มให้พอก็ต้องหยุดความอยากทนะั้งนั้นตัดความอยากไม่ทำตามความอยาก พอไม่มีความอยากแล้วมันไม่ต้องการอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องการใจไม่ต้องการมีร่างกายไม่ต้องการมีเงินทองไม่ต้องการมีแฟนไม่ต้องการมีอะไรทั้งนั้นใจมันอิ่มมันพอใจของพระเจ้าจึงไม่กลับมาเกิดเนีไม่กลับมามีร่างกายไม่กลับมามีแฟนไม่กลับมามีสมบัติ ไม่กลับมามียศไม่ได้มากลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้มาเป็นปัะธานาธิบดีเป็นไปก็เป็นเดียวเดียวเดี๋ยวก็ตายไปก็จบยังไม่ทันตายก็หมดวาระถ้ามีความอยากตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาเกิดเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วทุกครั้งที่มาเกิดนี่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันนะมีใครไม่เคยร้องห่มร้องไห้กันบ้างมพะพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารวบรวมน้ำตาที่เราร้องกันในแต่ละพบแต่ละชาตินถ้ามารวบรวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรสเชื่อไหมเราร้องไห้มานี่มะน้ำตาเรามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรสกิดดูิว่ต้องกลับมา ร้องไห้กี่พบกี่ชาติกันถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ำเลยมาเราสำรวจแล้วก็ยังจะร้องไห้ต่อไปถ้าตราบใดยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็จะต้องร้องห่มร้องไห้กลับมาเกิดกลับมาเกิดแล้วก็กลับมาร้องห่มร้องไห้ใหม่เดี๋ยวแฟนจากก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวพ่อแม่จากไปก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวเงินทองจากไปก็ร้องห่มร้องไห้ แล้วลูกจากไปก็ร้องห่มร้องไห้มีแต่เรื่องให้ร้องห่มร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของการพัดพลาดจากกันไม่มีอะไรจะอยู่ด้วยกันไปถาวร อ, อยู่กันชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพลาดจากกันพอพัดพลาดจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยเดี๋ยววันที่ยีบยิบหกนี่เดี๋ยวก็ร้องไห้กันทั่วประเทศ มีใครไม่ล่องมางวันที่ยี่หกเนี่ยใช่ไหมจะดูถ้านับตาของคนทั่งประเทศมารวมตอนนี้อาจจะน้ำได้เป็นเป็นสาเป็นทะเลนะคนต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านคนล่องห้างกันเนี่ยนี่เพียงชาติเดียวนั้นเนี่ยแล้ว ที่ดูจะร้องกันกี่เท่าไหร่ถึงจะมีน้ําตาเท่ากับน้ําในมหาสมุทรเราต้องกลับมาเกิดกี่แสนล้านชาติกี่พันแสนล้านชาติถึงจะร้องไห้ได้น้ําตาขนาดน้าในมหาสมุทรนี่เป็นคําพูดของว่าพุทธเจ้านะเราไม่ได้พูดขึ้นมาเองเราไม่มีปัญญาที่จะรู้ถึงความจริงขนาดนี้ เราไ ม, ไม่ได้ศึกษาําสอนของพระเจ้านี่นาะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเราเกิดมาทาไมไม่รู้ว่าตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าการทำตามความอยากดีหรือไม่ดีรู้ว่าดีทั้งนั้นไม่มีใครว่าไม่ดีเลยการทำตามความอยากอยากจะได้นู่นได้นี่พอได้มาดีใจใหญ่แต่พอมาล่องห้เพราะเสียสิ่งที่ได้มานี่ มองไม่รู้มอมไม่คิดไม่ออกว่ามันมาจากความอยากได้ของที่เราเสียไปใช่ไมไม่เคยคิดเลยว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องเสียไปคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขไปก็มันตลอดจนวันตายเหมือนดูหนังพระเอกพบนางเอกก็จะอยู่กันไปจนมันตายหนังก็จบพอดีไม่มีภาคสองถ้ามีภาคสอง แล้วก็เห็นตีกันแล้วสิทะเลาะกันแล้วสิหยากันนล้วสิหรือแมันก็จ่า ก, กันอหยากันก็จ่า ก, กันนะหรือตายจากกันนี่นี่คือปัญญาต้องมองเห็นภาพของผลที่เกิดจากการทําตามความอยากมันจะพาไปสู่การหลังน้ําตา แบบน้ำในมหาสมุทรเนี่ยถ้าหยุดความอยากได้น้ําตาจะเหือดแห้งจะหายไปเพราะจะไม่มีร่างกายเนีเพระไม่มีร่างกายไม่มาเกิดมันก็ไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายเนี่ยปัญหาอยู่ที่ความอยากนี้ท่า น, นั่นเองพอตายความอยากได้แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดไม่รู้จะกลับมาเกิดทําไม เมื่อไม่ต้องการดูไม่ต้องการฟังไม่ต้องการลิ้ม้สไม่ต้องการดมกลิ่นไม่ต้องการสัมผัสกับอะไรทางร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ติดต่อกับใครมีโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรเราต้องตัดตัดต้นเหตุที่ทาให้เราต้องมามีร่างกาย ต้อนเหตุที่ทำให้เราต้องวุ่นวายกันทุกวันนี้ตอนนี้พวกเรามีปัญหากันนะปัญหาถ้าลองค้นดูมันก็อยู่ที่ความอยากนะใครลองมีปัญหาลองบอกบอกมาเสิเราจะเราจะชี้ให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนะันแหละ มีไอ้นี่แต่ยังไม่พออยากจะได้ไอ้นู้นก็เกิดความก็ก็มาจากความอยากเองคมีใครถึงคำว่าพอหรือยังนั่นแหละวิธีจะแก้ปัญหาก็ต้องพบคำว่าพอถ้าพอแล้วมันก็ปัญหาก็หมดไปแต่ถ้ายังไม่พอปัญหาก็ยังไม่หมดได้อันี้แล้วพอหรือยังไม่พอ ไม่พอก็อยากจะได้นู่นต่อพอไม่ได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาหรือพอได้มาแล้วเสียไปก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้รถมานี่เดี๋ยวเกิดรถมันเสียเป็นไงปวดหัวไหมนี่ต้องเอาเข้าอู่มีรถเกิดขับไปมีอุบัติเหตุ ไปชนคนตายนี่เป็นไงมีปัญหาตามมาต้องไปแก้ปัญหากับญาติพี่น้องของคนตายต้องแก้ปัญหากับตำรวจนะตำรวจก็จะยึดรถจะจับเราเข้าคุกแล้วสิญาติเขาก็จะมาสาปมาแช่งมาอาฆาตยายบาทเราสิ ถ้าไม่มีรถไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาใช่ไหมเนี่ยถ้าตัดจริงต่างๆได้ปัญหาก็จะน้อยลงไปถ้ามีอะไรแล้วปัญหามันก็จะตามมาเป็นพวงวิธีแก้ปัญหาของเรามันแก้ผิดมันเก็นวิธีเพิ่มปัญหาพอไม่สบายอยู่คนเดียวเราก็เลยต้องมีแฟนะ พอมีแฟนก็เพิ่มปัญหานะต้องมีปัญหากับแฟนนะแล้วอยู่กับแฟนสองคนก็เหงาอีก<ม>ก็ต้องมีลูกแล้วนะพอมีลูกก็ต้องมีปัญหากับลูกอีกเลแก้ปัญหาความเหงาด้วยการเพิ่มปัญหาให้มีวันสิ้นสุดวิธีที่ตัดปัญหาก็คือหัดอยู่คนเดียวให้ได้สิอยู่คนเดียวได้สบายไม่มีปัญหากับใคร จหยุดคนเดียวได้ก็ต้องหยุดความอยากความอยากมีแฟนอยากมีเพื่อนแก้เหงาวิธีที่จะแก้เหงาก็ต้องทาใจให้สงบทาใจให้นิ่งแต่ก็ต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนแล้วไม่มีสมาธิแล้วจะไปใช้ปัญญาเงินก็ใช้ไม่ได้หรือว่าอยู่คนมีแฟนแล้วทุกข์ก็เดี๋ยวก็อดไม่ได้อยู่ดี พอจะถูกเจอคนถูก อ, อกถูกใจหน่อยเดี๋ยวก็ไปแล้วลืมแล้วลืมความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดตามมาแล้วแต่ถ้าฝึกนั่งสมาธิได้เห็นใครถูก อ, อกถูกใจยังไงก็ฝืนใจได้มองเห็นภาพที่จะตามมาว่าถูก อ, อกถูกใจยังไงรัดกันยังไงเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดี อยู่คนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องกังวลกับเขามีมีอะไรแล้วต้องห่วงต้องกังวลห่วงว่าเขาจะไม่อยู่กับเรากังวลว่าเขาจะเปลี่ยนไป<ม>เคยดีเดี๋ยวกับกับกลายเป็นไม่ดีก็ได้เ<ม>ขาไม่มีอะไรมันเที่ยงแท้แน่นอน<ม>เวลาพบกันใหม่ๆนี่ดีนะั้ย เอา อ, อกเอาใจกันชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกพอพอได้กันแล้วนี่เป็นคละคนเลยก็ เ, ยเอาเอาใจไม่เอา อ, อกใจแล้วเขาจะเอาใจเขาแล้วใจเราเขาไม่เอาแล้วเขาได้เราแล้ ว, ลวนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆมันจะตามมาเพราะสิ่งที่เรา เอามาให้ความสุขกับเรามันเปลี่ยนไปลเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันค่ายบางวันก็ดีโอ้ยหวานแสนหวานบางวันก็ขมบึ้ดบางวันก็ยิ้มจ้อยบางวันก็หน้าบึ่งอย่างนี้เพราะเขาก็มีอารมณ์บางวันเขาก็อารมณ์ดีบางวันเขาก็อารมณ์เสียเราจะให้เขายิ้มจ้อยอยู่ทั้วันเขาก็ยิ้มไม่ออก พอเขาไม่ยิ้มเราก็เลยเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาทำไมเขาไม่ยิ้มเขาไม่ชอบเราแล้วเหรอเขาเบื่อเราแล้วหรอคิดไปต่างๆนานานเขาไปชอบคนใหม่แล้วหรอเนมเนี่ยมันเป็นแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือปัญญาคิดอานิจจังไงคำว่าอานิจจังก็คือเนี่ย มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกันอยู่นี่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ถาวรมันไม่มันไม่เหมือนเดิมไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบทังนั้นเน่ได้ของใหม่ๆมันก็ดีนะพอต่อไปมันเก่ามันก็เริ่มรวนนะเดี๋ยวก็เสียซื้อรถมาใหม่ๆนี่ขับสตาร์ทปุ๊บวิ่งได้ปั๊บเลยต่อไปก็ยางแตกแล้ว เดี๋ยวก็สตาล์ถไม่ติดแล้วแบตเตอรี่หมดนะก็ต้องปวดหัวแล้วเนี่ยให้คิดอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอันนี้จังพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ใหม่มันไม่เหมือนเดิมไปตลอดมันจะต้องเสื่อมไปตามเวลาของมันพอมันเสื่อมมันก็ไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของเราได้มันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเหมือนเดิม เห็นหัดอย่าไปหาสิ่งต่างๆมาตอบมาแก้ปัญหาเลยวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราหยุดความอยากของเราขั้นต้นก็หยุดด้วยสติเนี่ยใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดเรคิดแล้วเดี๋ยวมันจะอยากเราคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่คิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูภาพยนตร์ คิดถึงขนมนมเลยก็อยากจะกินขนมนมเลยขึ้นมาแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปมันคิดไม่ได้มันก็จะไม่มีความอยากตามมาแล้วเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งสงบ ก, ก็จะอิ่มจะพอชั่วคราวแต่เราก็นั่งไม่ได้ตลอดวันเดี๋ยวก็ต้องออกมาออกมาถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยวปล่อยให้เผลอไปคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มก็อยาก ดื่อยากจะรับประทานนะก็ต้องฝืนมันต้องใช้สติดึงกลับมาจะรับประทานจะดื่มต่อเมื่อมันถึงเวลาเช่นให้มันรับประทานอาหารวันละครั้งครั้งเดียวจะจะกินอะไรก็กินมันนั้นกินเวลานั้นเ ว, นวนลาเดียวส่วนจะดื่มก็ให้ดื่มแต่น้ําเปล่าเวลาหิวน้ําก็ดื่มแต่น้ําเปล่าไปต้องมีมาตรการแก้ความอยากเราะงั้นบางทีความจําเป็นกับความอยากมันถูกหลอกมัน มันถูกความอยากหลอกได้ว่าเป็นความจําเป็นแต่ความไม่ใช่เป็นความจําเป็นนี่มันก็อ้างว่าหิวน้ําต้องดื่มกาแฟหิวน้ําก็ดื่มน้ำสิไม่ต้องไปต้องไปดื่มกาแฟคนละเรื่องกันเอากาแฟออกไปสิเอาแต่น้ํำสิร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟหรอกร่างกายมันต้องการน้ํานี่คือปัญญาเนี่ยรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นตันหาอะไรไม่ใช่เป็นตันหาความอยาก เหตุผลเหตุผลนี่เป็นเป็นความจําเป็นเช่นร่างกายมันต้องกินน้ำํำก็ให้น้ํามันสิร่างกายต้องกินข้าวก็ให้มันกินสิแต่กินมื้อเดียวก็พอไม่ต้อกินพร่ำเพรื่อกินวันน้ำรู้กินมืนกกม้ออยากกินปุ๊บ ก, ก็กินเลยอันนี้ยกินเลยความอยากแล้วมันจะทําให้ยิ่งอยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีมาตรการควบคุมเนี่ยให้ถึงเวลา มันก็มาให้มันกินความอยากกินแบบพื่อนเพื่อก็จะหมดไปต่อไปความอยากจะดื่มเครื่องดื่มต่างๆก็จะหมดไปดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวได้ไม่ตายน้ําเปล่าเนี่ยดีที่สุดไม่มีโทษเลยน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสเนี่ยมีโทษทั้งนั้นมันสารสังเคราะห์ใส่เข้าไปแล้วก็ไปก่อสารมะเร็งในในในในร่างกายนี้ ก็จากไอ้สีสังเคราะห์กลิ่นสังเคราะห์ที่มันใส่เข้าไปในเครื่อง ด, ดื่มต่างๆที่เราเ ด, ดื่มอเี้เป็นของที่มันเป็นของแปลกปลอมม่ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติถอาอยากจะกินของที่มีสีมีกลิ่นมีรสก็ต้องเป็นแบบธรรมชาติเป็นน้ำผลไม้มาจากธรรมชาติเอาของที่เป็นธรรมชาติบ่างกายมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมชาติมันมันเข้ากันได้ แต่พาขอของแปลกปลอมที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเข้าไปพวกเคสารเคมีต่างๆที่เราผลิตกันขึ้นมาสังเคราะห์กันขึ้นมาไอสารเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ไปก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆขึ้นมาสูบบุหรี่ก็ไปเจอมะเร็งในปอดนะก็เอาควันบุหรีเ่เข้าไปในปอดนี่เกิปัญญาให้คิดให้เห็นถึง ผลที่ยตา ม, มาจากการที่เราทำตามความอยากดูคนที่เขาไม่มีตามความอยากก็อยู่อย่างสบายน้องปู่น้องตาท่านเห็นท่านมีอะไรท่านฉันมือเดียวท่านก็อยู่แล้วท่านอย่างมากก็ดื่มน้ำชาดื่มน้ำเปล่าไปอายุท่านก็ยืนยาวนานเก้าสิบกว่าร้อยปีแล้วท่านก็ไม่ไปวุ่นวายไม่มีปัญหาอะไรกับใคร อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายนี่คือเรื่องของปัญญาคือพิจารณาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันมีแต่จะพาเราไปสู่เรื่องวุ่นวายต่างๆพาเราไปสู่ความไม่สบายอกไม่สบายใจพาเราไปสู่ความวิตกกังวลความหวาดกลัวความเมรัยต่างๆร้อยแปดพันประการ ไม่มีความอยากเราจะไม่มีอะไรในใจเลยใจจะเย็นไปตลอดจะว่างไปตลอดไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องวิตกไม่มีอะไรต้องกลัวไม่รู้จะกลัวอะไรกลัวตายมันก็ต้องตายกลัวแก่มันก็ต้องแก่กลัวเจ็บมันก็ต้องเจ็บกลัวจะกลัวพัดภาคจากกันมันก็ต้องพัดภาคจากกันมีใครไม่พัดภาคจากกันบ้างเดี๋ยวก็ต้องถึงเวลาก็ต้องพัดภาคจากกัน คนที่มีปัญญาเ็ารู้หมดเขามองเห็นภาพทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงเป็นโลกที่มีการพัดพากจากกันเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการสูญเสียมีการเกิดมีการดับมีการมามีการไปีเรียกว่าอันนี้จังปัญญาให้คิดอย่างนี้ถ้าคิดไม่เป็นก็เนี่ยต้องมาฟังเทศฟังธรรม จะได้รู้จากวิธีคิดและการที่จะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิถึงแม้รู้ว่าเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เลือมหมดเลยว่าผลที่จะเกิดตามมาความอยากอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตไปละช่างหัวมันตอนนี้เอาให้มันได้ก่อนตอนนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขเอาให้มันสุขให้ได้ก่อนเออ ส่วนปัญหาที่จะตามมาช่างมันเห็นไหมพวกคนที่ไปทำผิดกฎหมายพวกที่ไปรับขโมยนีก็เดี๋ยวจะติดคุกติดตารางน็ช่างมันแต่ตอนนี้ขอเอาให้ได้ก่อนอยากได้อะไรขอให้มันได้ก่อนแล้วเรื่องติดคุกติดตารางนี่ค่อยว่ากันกมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีสมาธิมันหยุดได้เพราะปัญญาบอกให้อย่าทำเลยนะทำแล้วก็ต้องไปเจอปัญหาหนาน า, นาประการตามมา ตู้อยู่เฉยๆดีกว่าเรามาฝึกนั่งพุทโธพุทโธสมาธิทำใจให้นิ่งพอใจนิ่งความอยากก็หายไปถ้าทำอย่างนี้กับความอยากทุกครั้งต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังแล้วต่อไปมันจะไม่มาบรบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสบายไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมี ร่างกายนี้ตายไปก็จบไม่เอาแล้วพอแล้วไม่อยากจะมาร้องไห้อีกรอบแล้วถ้ามีร่างกายใหม่เดี๋ยวก็ต้องร้องไห้ rem. ต้องมาร้องไห้ใหม่อีกถ้าไม่มีความอยากใช้ร่างกายแล้วมันก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้ายังใช้ร่างกายทำตามความอยากอยู่มันก็ต้องมีร่างกายต่อไปถ้ายังอยากดูอยากฟังก็ยังต้องมีร่างกายอยากมีแฟนก็ต้องมีร่างกาย Tôi อยากเที่ยวอยากมีนั่นมีนี่ก็ต้องมีร่างกายถึงจะมีได้ mm hmm. พอมีร่างกาย mm hmm. ก็มีความทุกข์ตามมาย mm hmm. าวเหยียดเลยมีความแก่มีความตายมีความเจ็บ mm hmm. มีความพัดพากจากกันจากสิ่งที่เราลักจากคนที่เรารักเราก็ต้องมาเจอกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบเจอกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบก็เป็นแต่ปะ เป็นแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามีการเกิดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ่าจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักการประสบกับสิ่งที่เราไม่ลักกับบุคคลที่เราไม่ลักพอเจอคนที่เราเกลียดนี่รู้สึกมีความสุขเลเจอเห็นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว พอเสียคนที่เราล้างไปเป็นยไงก็ทุกข์ขึ้นมาอีกพอเจอความแก่ก็ทุกข์เกิดมาก็ทุกข์เกิดมาก็ออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจแล้ว<ม>ต้องหายใจเองนะต้องหาต้องกินน้ําเองต้องกินอาหารเองนะต่อไปพอโตขึ้นพ่อแม่แก่เราก็ต้องหาหากินเองแล้วต้องหากินเองเพื่อต้องไปทํางานต้องไปอะไรเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนอะ เพราะฉะนั้นให้เราใช้ปัญญานี้มาสอนใจว่าเรามาหยุดความอยากกันดีกว่าวิธีแรกของการหยุดเกี่ความอยากก็คือใช้สติฝึกสติให้หยุดความคิดชั่วคราวหยุดความอยากไว้ชั่วคราวทําใจให้นิ่งให้สงบจนชํานาญจนสามารถหยุดความคิดความอยากได้ทุกครั้งเวลาเกิดความคิดความอยากก็หยุดมันด้วยการใช้ปัญญานึกถึงภาพ ที่เนวร้ายต่างๆที่จะตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากนี่คือปัญญาคือการเห็นโทษของการทำตามความอยากเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำตามความอยากแล้วเราก็ใช้สมาธิใช้สติหยุดความอยากจึงต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาขั้นต้นก็ฝึกสมาธิก่อนให้ให้มีให้มีความสามารถชนานาญ มือนกับเมือกับขับรถเนี่ยก่อนที่เราจะลงสนามแข่งรถได้เนี่เราต้องหัดขับรถให้เก่งก่อนใช่ไหมอ่ไม่ใช่ขับไม่เป็นก็ลงไปแข่งกับเขาเดี๋ยวก็ชนก็แหลกอ่ะนะขั้นปัญญาก็คือลงลงสนามแข่งแข่งกับกิเลสกันสู้กับกิเลสขั้นต้นก็ฝึกจิตให้ให้มีกําลังสู้กับกิเลสก่อนฝึกจิตให้มีความสามารถที่จะหยุดกิเลสให้ได้ก่อนสมาธินี่จะหยุดกิเลสได้ เพ่งแต่ฆ่ามันไม่ได้สิ่งที่จะฆ่ามันได้ก็คือปัญญาาปัญญาเห็นว่าโอ้ถ้าทำตามความอยากเราจะต้องเจอขบวนการของความวุ่นวายต่างๆของความทุกข์ต่างๆก็ไม่ทําดีกว่าเช่นคนไม่เคยสูบบุหรี่ลองคิดึงถ้าไปสูบบุหรี่ดูสิแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูคนที่สูบบุหรี่มา20ปีเป็นนอกถุงอะไรถุงนมปงพองเนี่ย หายใจก็หายลําบากแล้วเดี๋วก็ตายก่อนไวัยไปดูผลที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มันจะได้ไม่กล้าทําไม่กล้าสูบนี่เรียวกว่าปัญญาไปดูคนที่กินเหล้าจะกระทั่งกระเาาพาะตับแข็ง น, นี่ต้องเห็นภาพของผลที่จะตามมาจากการที่เราไปทําตามความอยากแล้วมันจะทําให้เราไม่กล้าทําตามความอยากต่อไป แล้วถ้าเรามีสมาธิเราก็จะฝืนได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ยังฝืนไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะ่ะนิดๆหน่อยๆมวลสองมวลแก้วสองแก้วก็ barrel. คิดอย่างนี้ไปก่อนใช่ตอนต้นมันก็เพิ่มเวลาเริ่มมันก็แค่มวนสองมวนเดี๋ยวต่อไปมันก็จะกลายเป็นห้าหกมวลนะต่อไปก็กลายเป็นซองขึ้นมามันไม่ได้ถูกทีปุ๊บปั๊บทั้งซองที่ไหน ทุกอย่างมันอย่างนี้ยมันจะเริ่มจากทีะเล็กๆน้อยๆเกาะตัวขึ้นมาตามอยากมันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆน <Yeah. S 1> ะครับดนั้นขอให้ทําความเข้าใจนะว่าการปฏิบัติสมาธิกับปัญญานี้มันคนละขั้นคนละตอนกันอย่าเอามารวมกันอยนั่งสมาธินี้ให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันนิ่งนานๆออกจากสมาธิมาก็ ฝึกให้มันนิ่งต่อไปจนสามารถนิ่งได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิเหมือนการเบรกรดต้องเบรกได้ทุกเวลานาทีถ้าเบรกได้บางเวลาบางเวลาเบรกไม่ได้อย่าเพิ่งเอารถออกไปขับข้างนอกเดี๋ยวชนกันเราต้องมีความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกนี่เราต้องหยุดมันได้ถ้าเรายังหยุดไม่ได้ไปเช็คผ้าเบรกไปซ่อมผ้าเบรกทําเบรกให้มันดีก่อนถ้าเบรกดีแล้วเหยียบเบรกทีไรก็หยุดมันได้ อันนี้ถึงค่อยขับรถออกไปข้างนอกก่อนที่เราจะไปใช้ปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสเนี่ยเราต้องหยุดใจเราให้ได้ก่อนหยุดความอยากให้ได้ก่อนถ้าหยุดความอยากได้แล้วขั้นต่อไปก็เอาปัญญาศึกษาด้วยปัญญาหรือว่าการผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําความอยากมันจะเป็นอย่างไรนึกถึงภาพที่จะตามมานึกถึงการเวียนว่ายตายเกิดนึกถึงน้ําตาที่เราต้องร้องให้มากกว่าน้ําในมาหาสมุทร คิดูจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นถ้าเห็นภาพแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะทำให้ไม่กล้าทำความอยากแล้วความอยากมันจะดือ้อเราก็ใช้สมาธิหยุดมันได้แล้วต่อไปความอยากก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของเรามันจะไม่สามารถที่จะมาผลักดันให้ใจเราไปอยากกับอะไรได้ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยใจของพุทธเจ้าใจของภาษาวกเนี้ยังอยู่เหมือนเดิม เหมือนกับพวกเราตอนนี้อยู่ที่เดียวกันอยู่ในโลกที่ต่างกันตรงที่ท่านหยุดใจท่านได้แล้วะพวกเรามันยังหยุดไม่ได้เหมือนที่พระเจ้าบอกองค์คุลิมาเราเราหยุดแล้วเธอยังไม่ได้หยุดเนี่ยองค์ุลิมานพยายามวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารทําให้ไล่ตามไม่ทันจนกระทั่งมันต้องร้องร้องออกไปว่าท่านหยุดเถิดผมไล่ตามท่านไม่ไหวแล้ว พระเจ้ากระหันขามบอกว่าเราหยุดแล้วเธอต่งอางหากที่ยังไม่หยุดอมคิีมาบอกทําไมไม่หยุดท่านหยุดทําไมผมไล่ไม่ทันพระเจ้าบอกเราหยุดจากความอยากนั่นเองหยุดจากความโลภความอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการไปฆ่าผู้อื่น <Okay. S 1> อันนี้ทําให้องคลีมาได้สติขึ้นมาอ๋อต้องมายถ้าอยากจะบรรลุธรรมต้องไม่ไปฆ่าคนอื่นต้องหยุดหยุดความอยาก ต่างๆให้หมดไปอา mm hmm. แล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขออนุโมทนาให้พร mm hmm. ยาถาวาริกวาหาปุราปริกปุเรนติสาคลรัง mm hmm. เอวเมวะอิโตทินาง mm hmm. เปตานางังอุปกปฏิ mm hmm. อิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติปราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพปะโรโคลวินาสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธนาสีดิตสิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางใคาขยากก็มาได้่านี้อยากจะถวายของหรืออยากจะมาเอาหนังสือก็มาได้อยากอยากแบบนี้ไม่ดีอยางอยากแบบนี้ดี ไม่เป็นทุกข์ hey. อากแบบนี้ฆ่ากิเลสหยุดหย so ุดความอยากที่ไม่ดีได้เช่นเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปเงินที่จะไปซื้อรองเท้ามาทําบุญนี้เป็นความอยากที่ดีปัญหาที่ว่าถูกมนุษย์จับไว้หรือจริงๆเราไปจับเข้าไว้เราจะแก้ยังไงก็อย่าไปจับสิก็ปล่อยแล้เลยฮะ ทาไมจับง่ายแล้วปล่อยยากนะเความอยากเนีอยอยากได้ท้องพราเราไมต้องไปจับเขาพวกที่เราเรารักเราหว่วงใย น, นะครับจับแล้วเราสุขหรือเราทุกข์ล่ก็ไม่เห็นทุกข์เลยถ้าเห็นทุกข์ก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยชั่วข้ามกก็ต้องเห็นบ่อยๆเลยเห็นตลอดเวลาอก็ต้องบอกมันทุกข์ตรนี้ เราไม่สุขแล้วเวาไปห่วงเขาเนี่ยความห่วงมันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์พอไม่มีเขาแล้วก็หายทุกข์เลยพอเากาตายจากเราไปก็หายเลยสอบถามพระอาจารย์ค่ะที่เม<า>ื่อกี้พระอาจารย์ามว่าให้น่นสมาธิค่ะแล้วให้จิตมันนิ่งเราเราค่อยเดินปัญญายังไม่เดิน ปัญญาไว้นน่นไว้ให้จบสมาธิก่อ น, น, ลล ก, นก็นิ่งตลอดวันไงเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาไม่ไปเที่ยวได้นะเลือกเที่ยวได้แ้่ยังอยากไปเที่ยวอยู่ก็ยังไม่นิ่งยังอยากกินอยากดื่มอยู่ก็ยังไม่นิ่ง นั่งสมาธิสิบนาทีแล้วก็ได้สมาธิแล้วขอทุตบุญนะเดี๋ยวออกจากสมาธิก็ไปเที่ยวไปกินไปดืมนะ่มพวกที่เขาได้สมาธิเขาอยู่ในป่าในเขาก็ไม่ไปไหนละแต่ขนาดอยู่ในป่าในเขากิเลนมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เ็ยังไม่มีปัญญาตอนนั้นเ็าถึงต้องมาใช้ปัญญาวาดภาพถึงผลที่จะตามมาจากการไปทำตามความอยาก จะใช้ก็ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ลองใช้ปัญญาดูว่าทำทาความอยากนี้มันผิดกฎหมายนะมันทำให้เราทุกข์นะไม่ทำให้เราสุขนะต้องร้องไห้เป็นเป็นถังนะักา <laughs> เดี๋ยวก็อยากกันนะถ้ามาเนี่ย <laughs> มาจาบัวจำบัวก็ยากเลยสอนสมาธิแจก็ยังไม่ได้แค่คัดคัดูเข้าเข้ามา้ไปก่อนอ่ให้ก็ได้ยินได้ฟังก่อนเดี๋ยวต้องทุกข์ก่อนต้องร้องไห้ก่อนใจบางทีก็ได้าปบไปอะไรค่อยๆไม่ใช่สอนวันเราพอทุกข์ขึ้นมามันถึงจะได้มานั่งสมาธิกันได้ พอนนยังไม่ทุกข์มันก็ยังคิดว่าไปเที่ยวสนุกยังมันอยูนะ่พอสะดุดหน่อยพอมันทุ ก, ทกข์อะนี้เที่ยวไม่ได้นะเนี่ยมันถึงก็นั่งสมาธิดีกว่านะแต่พอหายทุกข์ก็ลืมลอีกล้ะเดี๋ยวก็ไปนะทํำไปใช้ปัญญาเดี๋ยวก็ลืมทุกข์กี่ครั้งเดี๋ยวก็ลื ม, มนี่กิเลนมันครอกงาจิตใจทำให้ลืมได้ง่ายๆ ร้องห่มรอกให้ถ้าเป็นท้บตายไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเดี๋ยวได้แฟนใหม่ก็อ่อยนะ <laughs> <laughs> มีคำถามไหมทางบ้าน <c oughs> แต่มีต่างชาติหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีค่ะ <c oughs> รู้โ ท, โ ท, โทนี่โรมิโอเป็นยังไงอยู่ล a สเวกัเหมือนกัน <c oughs> Hey t o ทนี are you there what happened are you okay <c oughs> are you safe <c oughs> hope you're safe and sound มีชาวต่างชาติชื่อชาวอเมริกันอยู่ที่ลาสเวกัสเขาก็ติดตามอยู่เป็นประจำเมื่อาวานี่มีจริงกานที่เมรกาน่นสิอะไรถึงถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าอส่อองคำถามเข้ามาคา ถ, ถามจากคุณแม่นก การนอนฟังธรรมจนเคลิ้มหลับไปเป็นบาปไหมคะฟังไปคิดตามไปจนเผลอหลับไปเองค่ะก็ไม่บาปแล้วก็เพียงแต่ไม่ได้บุญนะอ่นานฟังธรรมถ้าไม่หลับก็จะได้บุญได้ความรู้ได้ปัญญาแต่ถ้าหลับก็ได้ปัญญานอนหลับไปปัญญานอนหลับไปคํถาถามจากคุณนีดาการอุทิศบุญแตกต่างกับการแผ่เมตตายอย่างไรบ้างคะ เวลาเราอุทิศบุญกวดน้ำคืออุทิศบุญใช่ไหมคะอุทิศบุญนี้อุทิศได้แต่เฉพาะคนที่ตายไปแล้ว <c oughs> แต่แผ่เมตตานี้ให้ได้ทุกคนคนตายไปแล้วก็ให้ได้ <c oughs> ก็การอุทิศบุญนี้ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาอย่างหนึ่งแต่เรามีความเมตตารักคนที่เราจากไปแล้วก็ส่งบุญไปให้เขาแต่เมตตานี้สามารถให้ได้กับคนที่เป็นด้วยคนอยู่ก็ให้ได้ เป็นวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญให้เขานี่ก็แผ่เมตตาปีใหม่ก็ส่งซื้อขนมเค้กไปให้เขาเนี่ยก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขาเมตตานี้ให้ได้ทั้งคนเป็นนักคนตายส่วนอุทิศบุญนี้ให้ได้แต่เฉพาะคนตายคนเป็นนี่ต้องให้ขนมเค้กเพราะว่าคบถามจากคุณโอกาวะ กรณีผมส่งซองกระถิ่นไปให้แม่ที่ต่างจังหวัดแล้วเงินที่แม่เรียกไรได้แม่ไม่ได้แจ้งเงินมาให้ผมทราบโดยไม่ได้โอนเงินมาแล้วผมออกเงินไปเองเพราะแม่ไม่สะดวกโอนมาแบบนี้ถือว่าทุกท่านที่ร่วมบุญกับแม่จะได้บุญใหม่ครับและผมทำแบบนี้ถืกต้องไหมครับตามใดที่เงินที่แม่ได้มานี้ส่งมาถึงเราด้วยวิธีใดก็ได้โดยการโอนมาหรือไม่โอนมาเราเ อ, อกแทนให้แม่ไป แล้วเงินที่แม่เก็บไว้ก็ยกให้แม่ไปอย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันเราก็จะได้บุญบุญที่เกิดจากการไม่เอาเงินจากแม่มาเหมือนกับให้ให้เงินก้อนนั้นให้แม่ไปแล้วเอาเงินของเรามาทดแทนเงินที่แม่ไม่ได้ส่งมามันก็คนที่ทำบุญเขาก็ได้บุญเท่ากันเหมือนเดิมคาถามจากคุณมิพาพร เวลากวดน้ำจะเกิดอาการขนลุกเป็นเพราะอะไรคะใช่อุปทานไหมคะก็ถามตัวเราเองดูสิถามเราทำไมนะก็ลองกวดทุกครั้งดูว่ามันมันลุกทุกครั้งหรือเปล่าคำถามจากคุณยุโยงถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาแล้วแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำเฉพาะเวลาที่อํานวยแต่ได้ฟังเทศฟังธรรมประจำจนเดี๋ยวนี้ หยุดความอยากได้มากขึ้นแต่ก็ยังอยากให้คนอื่นได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างจนเกิดทุกข์จะถือว่ายังละความอยากไม่ได้ไหมคะใช่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังอยากอยู่ต้องไม่ทุกข์อยากให้เขาฟังธรรมก็เอาธรรมะไปให้เขาแล้วก็จบเขาจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของเขาช่วยนาหนังสือไปให้เขาเอาหนังสือไปฝากเขาส่วนเขาจะอ่านไม่อ่านเรื่องของเขาเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้ว เรากก็จะไม่ทุคํถาถามจากคุณอัน้นสีลห้าเพิ่มเป็นสีลแปดจะช่วยให้มีสมาธิสติเพิ่มมากขึ้นไหมครับมันจะช่วยให้เรามีเวลามาฝึกสติสมาธิเพราะถ้าเราไม่ถือสีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวได้ ไปนอนนั้นนอนบนฟูกนะั้นะนะเตียงใหญ่ๆได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราไม่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้สติมากขึ้นไม่ได้สมาธิมากขึ้นศีลเป็นเพียงแต่เป็นตัวที่จะอํานวยให้เรามีเวลาป้องกันห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมต่างๆ เอาเวลาที่ไปทํากิจกรรมต่างๆมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาคํถาถามจากคุณนาลงบาปที่ตั้งใจกับบาปที่ไม่ได้ตั้งใจจะได้รับอิบากกรรมเท่ากันไหมครับไม่เหมือนกันอะถ้าไม่มีความตั้งใจนี่ไม่ถือว่าบาปเช่นขับรถไปชนสุนัขเนี่ยสุนัขวิ่งวิ่งตัดหน้าไม่มีความตั้งใจจะฆ่าเขาแต่ถ้าเห็นสุนัขเดินอยู่ข้างถนนก็ บาดมันเข้าไปชนมันอย่างนี้ให้มันตายยต่างกันอันนี้มีเจตนาถือว่าเป็นการฆ่าเป็นปนานาติบาตผิดสิงตายไปอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นหมาให้เขาให้เขาขับรถชนบ้างคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะคนขี่น้อยใจจะแก้ไขยอย่างไรคะ ก็อย่าไปอยากเลอย่าไปอยากให้เขาเอาใจเราอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาเราก็จะไม่น้อยใจมันหมดแล้ ว, ลวเดี๋ยวกําลังพิมพ์อยู่เดี๋ยวก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยพออยากได้พอไม่ได้ก็น้อยใจใช่ไหมเสียใจทุกข์ใจโกรธ ถ, ถ้าไม่อยากได้แล้วจะไม่รู้เสกอะไร เขาจะให้เราไม่ให้เราเราก็ไม่น้อยใจก็ไม่ให้กเห็เร็วของเขาเขาให้ก็เรอวเหมือนกับถ้าเขาให้ก็เหมือนกับว่าถูกก็ตลี่ยอยู่ดีๆมันก็ถูกขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากได้นะ้วมันจะไม่เสียใจไม่น้อยใจความน้อยใจเกิดจากความอยากให้เขาเอาใจเราใช่ไหมพอเขาไม่เอาใจเราเราก็น้อยใจเสียใจยนี่ไ ปัญหาทั้งหมดเนี่ยลองาถามมาทุกขนะ้อเน่ะมันมีเกิดจากความอยากใช้งนม้น่ยไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็อยากไม่ได้อยากเวลาเจ็บไข้ก็อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นความทุกข์มีสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วอยากให้มันหายไปก็ทุกข์อีกมีสิ่งที่ไม่ชอบเช่นมีความเจ็บไข้ก็ปล่อยมันเจ็บไปสิรักษาได้ก็รักษาไป ถ้ายังไม่หายก็อยู่ก็บมันไปก่อนใจจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายทันทีพอเป็นปุ๊บอยากให้มันหายทันทีพอมันไม่หายก็ทุกข์ใจแต่ถ้ารู้ว่ามันสั่งมันไม่ได้ของพวกนี้มันสั่งได้ที่ไหนล่ะเหมือนดินฟ้าอากาศเราสั่งได้นะสั่งให้ฝนหยุดฝนตกนี่สั่งไม่ได้สั่งให้ร่างกายเจ็บไม่เจ็บนี่สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องให้เจ็บไป อยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนอย่างตอนนี้เราไม่เดือดร้อนกับฝนใช่ไหมฝนตกก็ตกไปฝนไม่ตกก็ไม่ตกไปเราก็ของเราก็คุยกันไปสบายไม่มีปัญหาเลยร่างกายก็เหมือนกันถ้าเราฝึกปล่อยวางมันได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็ไม่ต้องขยับมันก็ได้นั่งปล่อยมันเจ็บไปใจเราไม่เดือดร้อนแล้วมันไม่มีปัญหาอะไร วิที่จะทำให้ใจไม่เดือดร้อนก็คือต้องฝึกสมาธิฝึกสติถ้าใจนิ่งแล้วมันจะเป็นกลางจะเป็นอุเบกขาจะเฉยเฉยจะไม่ลำคาญกับอาการต่างๆของร่างกายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนี่มันจะเฉยเฉยแต่ถ้าใจไม่นิ่งใจไม่เป็นกลางนี่พอได้ได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่สบายใจแนละ้ว พอได้ยินเสียงดีก็ดีใจอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขนะอยากจะให้เขาเอาใจพูดดีๆอยู่ได้เรื่อยพอเขาไม่พูดไม่ดีพอเขาไม่พูดดีหน่อยก็ไม่สบายใจแต่ถ้าใจเฉยใจนิ่งแล้วจะจะไม่เดือดร้อนจะเฉยๆเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีความสบายใจอย่างเดียวพอความสบายใจของเราไม่ได้เกิดจากการกระทําของคนอื่น แต่เรามักจะไปโยมความสบายใจของเราไปผูกติดกับการกระทําของคนอื่นมันก็เลยทำให้เราขึ้นๆลงๆไปกับการกระทําของคนอื่นถ้าเรามาเอาความสบายใจเกิดจากการกระทําของเราดีกว่าความสบายใจของเราที่เกิดจากการกระทาของเราเกิดได้อย่างไรก็ทำใจให้มันนิ่งนี่แหละทใจให้มันเป็นสมาธิ <S <S ถ้าใจเป็นสมาธิแล้วมันนิ่งแล้วมันจะสบายใจ แล้วใครจะทำอะไรมันจะไม่เกี่ยวกับเราเราจะไม่โยงใจเราไปกับเขาเรารู้รู้ว่าเขาดา่ดาด่าก็ปล่อยเขาด่าไปแล้วก็เฉยเฉยไปทั้งนี้ไม่เดือดร้อนเขาชมก็ไม่ได้ดีใจมันก็แค่คำพูดคำชมมันอาจจะไม่เป็นความจริงที่ได้ซ้ำไปเพราะว่าเราสวยนีย่ยิ้มแป้นเลยบางทีกีตายังเต็มหน้าเล่ใช่ไหมเออ มาแล้วใช่ไหมคําถามคํถาถามจากคุณกาแฟ ى, คําว่าหลงบุญเป็นอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกันนะหลงบุญเป็นงไงคำถามจากคุณปุษเรศอยู่กับคนโกงจะหลีกเลี่ยงยังไงครับเขาต้องทํางานร่วมกันถ้าหลีเลี่ยงไม่ได้ก็ทํําทาใจเฉยๆก็เรื่องของเขาก็จะโกงก็เรื่องของเขาเดแต่เวลา เขาจับถูกจับก็เขาเป็นคนถูกจับเองอะเราไม่ได้เป็นถูกจับไปกับเขาคําถามจากคุณจุม๋มจะประคองสมาธิอย่างไรให้ทนที่สุดเพราะบางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ก็สติเนี่ยใช่สติพุทโธพุทโธไปมันขยนันพุทโธพุทโธไปพอใจไม่นิ่งพระใจวุ่นวายก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายวุ่นวายเวลาเสียใจก็พุทโธพุทโธไป เวลาน้อยใจก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเวลาโกรธกบพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราน้อยใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจงั้นตอนนี้เราไม่มีเรื่องที่ทำให้เราน้อยใจนะเราก็ไม่น้อยใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราน้อยใจก็น้อยใจขึ้นใหม่คาถามจากคุณบอม การซื้อขายพระเหรียญที่สร้างตามวัดต่างๆจะบาปไหมครับและผิดต่อศาสนาไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายมันก็เป็นพาณิชย์มันกสินค้าชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่ามันทําใหเ้เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าที่พระเจ้าทรงสอนให้ให้เผยแผ่ สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เผยแพร่คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องไม่มีการซื้อขายต้องเป็นธรรมทานอย่างหนังสือซีดีเนี่ยไม่ให้ขายกันเป็นเป็นของที่ควรที่จะแจกกันเพื่อที่จะได้คนทุกคนจะได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเท่ากันถ้ามีการซื้อขายคนไม่มีเงินก็จะซื้อไม่ได้จะไม่ได้ธรรมะแต่พ ร, ระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมทาน พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ไม่มีขันไม่มีบาดมาวางไว้ข้างหน้าไม่มีค่าการเทศสแสดงธรรมให้ฟรีส่วนใครอยากจะทำบุญก็เรื่องของคนที่มีความปรารถนาอยากจะทำก็ทำไปเะตนั้นพระวัตถุมงคลต่างๆนี่เป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนให้เอามาเผยแผ่เพราะมันไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่าแก่จิตใจกับจะทําให้ลุ่มหลงเดินผิดทางไม่ใช่เป็นทางที่ทําให้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือพรอธรรมคําสอนต้องศึกษาให้เข้าใจว่าท่านสอนให้เราทําอะไรวันนี้มาสอนสอนให้ทําสมาธิสอนให้สร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็จะดับความทุกข์ได้ ถ้ามีวัตถุมงคลเต็มบ้านก็ดับความทุกข์ไม่ได้กลับจะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเพราะห่วงบ้านมากขึ้นห่วงวัตถุมงคลมากขึ้นหลอดไฟไหม้บ้านขึ้นมาที่วัตถุมงคลถูกเผาหมดแน่เสียอกเสียใจไปใหญ่ไม่ได้มาดับความทุกข์แต่จะมาเพิ่มความทุกข์ให้พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้มีไม่ไม่ให้มีพระพุทธรูป สมัยพระพุทธเจ้าอยู่นี่มีคนจะสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธรูปเราคือทำคําสอนคำสอนของเรานี่แหละคือเราถ้าใครอยากจะเห็นเราให้มาเห็นครับพราะทำคําสอนของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรม ไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องย้อนกลับไปสองพันห้าร้อยกับปีเพื่อจะได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าี่อ่าหนังสือธรรมะแล้วเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีเพราะธรรมะนี้ก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้านั่นเองคำถามจากนายหนุ่มคํากล่าวที่ว่าธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง หมายความว่าอย่างไรและการให้ทานอย่างไรที่เรียกว่าการให้ธรรมทานที่คารวะสามารถทำได้ครับคือธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงหมายถึงว่าประโยชน์ที่ได้จากการให้ธรรมะนี้ชนะประโยชน์จากสิ่งต่างๆจากการให้สิ่งต่างๆเช่นให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของก็เพียงแต่ไปช่วยแก้ปัญหาทางร่างกายไม่มีข้าวกินมีเงินทองก็ไปซื้อข้าวมากินได้ กระดับความทุกข์ทางร่างกายได้แต่เป็นก็เป็นความดับทุกข์ชั่วคราว mm hmm. เดี๋ยวร่างยังไงร่างกายก็ต้องตายไปอยู่ดี mm hmm. แต่ถ้ามีธรรมะนี่มันจะดับความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางใจนี้ได้ดับได้แล้วมันก็ดับอย่างถาวรไม่มีวันไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปเฉะนั้นการให้ธรรมะมันจึงมีประโยชน์กว่าเพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวร ใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายพอ ร, ร่างกายตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีไว้สำหรับดูแลร่างกายก็หมดหมดประโยชน์ไปแต่ธรรมะนี้จะรักษาใจไปตลอดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็ยังอยู่ต่อใจก็จะปราศจากความทุกข์ต่อไป <Okay. S 1> แต่ถ้าใจมีความสุขเพราะว่าร่างกายมีความสุข แต่พอเวลาร่างกายตายไปใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะยังธรรมะนี่ดีกว่าเพราะรักษาใจได้สิ่งอย่างอื่นนี่รักษาใจไม่ได้ให้ตำแหน่งให้ยศก็มาทําให้ใจพ้นทุกข์ไม่ได้ให้ชําสรรว์รัศเซนให้ลังวีราังวันอะไรต่างๆก็ไม่สามารถทําให้ใจพ้นทุกข์ได้ดีใจเดี๋ยวเดียว เขาให้รางวัลก็ดีใจกินเลี้ยงกันไปวันสองวันก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ละแตถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องใดทั้งสิ้น <Yeah. S 1> การให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งปวงเพราะประโยชน์ที่ได้รับจากการมีธรรมะนี่มันมีประโยชน์มากกว่าประโยชน์จากการมีลาบยศสรรเสริญเพราะมันเป็นประโยชน์ชั่วคราวดับความทุกข์ใจไม่ได้ แต่ธรรมะนี่เป็นประโยชน์ที่ท้าวรดับความทุกข์ใจได้อย่างท้าวรไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปคารวะอยากจะทําธรรมทานก็ถ้าไปได้เห็นหนังสือที่อ่านแล้วมีประโยชน์อยากจะเผยแพร่ก็ไปพิมพ์ถ้ามีเงินหรือมีเพื่อนฝูงร่วมกันบริจากก็พิมพ์หนังสือจากแม่เอาไปขาย หรือถ้ามีธรรมะในใจบรรลุธรรมแล้วก็สอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไป <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทำธรรมาทานทุกวันแสดงธรรมวันละสี่รอบสามสี่รอบตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุสมัมมาณีตอนเด็กแสดงธรรมให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนออกจะ บ, บินฑบัดเร่งยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมให้กับใครเป็นกรณีพิเศษ yeah. ท่านให้ธรรมทานทุกวันทั้งๆที่ท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องมีมีธรรมะแล้วเพราะท่านพ้นจากความทุกข์แล้วท่านมีธรรมะเต็มเปี่ยมแต่ภายในหัวใจแล้วแต่ท่านเห็นคุณค่าประโยชน์ของธรรมะที่สำหรับคนที่ยังไม่มีคนที่ไม่มีธรรมะพอมีแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ ถามจากคุณลุดคนที่โอ้อวดคิดว่าตัวเองรู้เรื่องธรรมะดีแต่เขายังระงับความโกรธไม่ได้เราจะควรพูดอย่างไรดีคะไม่ต้องพูดอะไรมันเรื่องของเขาเน่ยเราก็เอามาเอาตัวเขามาสอนตัวเราเราอย่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะ<ม>เห็นแล้วมั่นรู้ว่าเขาทําไม่ถูกเราอย่าไปทําตามเขาก็แล้วกัน<ม>นี่ก็โอ้อนี่ก็เหมือนกับจะโอ้อวดแล้วไปว่าเขายกตนข่มท่านนะเราดีกว่าเขาแล้ว เด้นไม่รู้สึกตัวถ้าไปสอนเขานี่ก็แสดงว่าเราโอ้อวดละเราถือว่าเราเก่งกว่าเขาละเรารู้ดีรู้ดีกว่าเขาเราก็ยังดับกิเลส ข, ของเราไม่ได้อยู่ดีกิเลสที่อยากจะไปสอนเขาเนยก่อนที่ไม่มีกิเลสเขาไม่อยากจะสอนใครหรอกมีแต่คนมาขอให้เขาสอนก็ถึงสอนเขานี่แหละคาถามจากคุณแสง ตวจมลทุกวันแต่ทําไมถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้คะใจร้อนง่ายมากเลยค่ะและส่งผลกับงานที่ทําค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ต้องทําอย่างไรดีคะก็สวดแบบไม่มีสติไงสวดไปก็คิดไปสวดแบบใจลอยสวดแต่ปากแต่ใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สวดแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสวดที่มีประโยชน์ต้องสวดอยู่กับสวดไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ความคิดอยู่กับคําสวด ไปอย่างเดียวไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมีสติที่จะมาควบคุมใจควบคุมอารมณ์ได้คําถามจากคุณปราณีฟังทำไปก็ฟุ้สร้างไปบางทีก็สงบลูกฟังหลวงพ่อจบก็ส่งบุญไปให้พ่อแม่บุญนั้นจะถึงท่านหรือเปล่าคะไม่ถึงหรอกแต่อยากจะส่งบุญไปถวายสังฆทานเนี่ยส่งไปถึงเพราะว่าเวลาทําถวายสังฆทานมันได้บุญทันที เวลาฟังธรรมนี่กว่าจะได้บุญมันต้องบรรลุธรรมนีมันต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องบรรลุเป็นพระอริยนี่นะมันถึงจะเกิดบุญการฟังธรรมนี้เหมือนกับกําลังปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้ว ย, ยมันไม่ออกทันทีหรอกเวลาปลูกใช่ไหมต้องฟังไปจนกระทั่งมันบรรลุ ธ, ธรรมนั่นแหะถึงจะเกิดดงั้นคนเข้าใจผิดคิดว่าการฟังธรรมเป็นบุญฟังธรรมแบบทับพีในหม้อแกงมันจะเป็นบุญได้ไง ฟังไปใจก็คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปใจก็ฟุง้งซ่านวิตกกังวลห่วงใยพ่อห่วงใยแม่พอฟังธรรมเสร็จก็ส่งบุญไปให้พ่อให้แม่นี่มันไม่ได้บุญหรอกมันไม่มีบุญเกิดขึ้นจากการฟังธรรมเลยดังนั้นอยากจะส่งบุญไปเนี่ยไปทําบุญนะเอาเงินไปทําบุญการที่ยอมเงินไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ไปทําบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้พ่อให้แม่หรือถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ส่งเงินไปให้เขาเลย ยางก็เป็นบุญกว่าคำถามจากคุณพลพิทักษ์ธรรมทานกับอภัยทานอันไหนอันนี้สง์มากกว่ากันครับก็ไม่รู้แหละ อ, อันไหนดับความทุกข์ได้มากกว่ากันอันนั้นก็อันนี้สง์มากกว่ากันคำถามจากคุณเจษณีบ้านหนูทำอาชีพเสริมเลี้ยงนกนางแอ่น เวลาเขาสร้างรังและยังอยู่จ ะ, จะไม่เก็บรังแต่ถ้าเขาทิ้งรังเดิมไปแล้วก็จะเก็บไปขายดิฉันจะบาปไหมคะถ้าไม่น่าจะบาปนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีเจ้าของแนละ้วของไม่มีเจ้าของแนละ้วถ้าเขายังกลับมาแล้วเจอไม่เจอรังเขาก็เหมือนกับเราลื้อบ้านของคนอื่นเงี้ต่อไปเราอาจจะถูกเขาลื้อบ้านก็ได้คำถามจากคุณบาง เวลาโยมภาวนาพุทโธพุทโธแล้วมีความคิดแทรกขึ้นมาโยมยังต้องภาวนาพุทโธอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะหยุดคิดได้เองใช่ต้องพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดเหมันก็รถอะเบียเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หยุดไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเหยียบเบรกมันก็ยังต้องมีวันหยุดมันอาจจะช้าหน่อยเช่นถ้ารถมันวิ่งเร็วเหยียบปุ๊บมันไม่หยุดทันทีกว่าจะไปหยุดนู่นครึ่งกิโลนู่น แต่ถ้าไม่ถ้าปล่อยเบรคเ่อไหรมันก็ไปยาวต่อองั้นถ้ามันยังคิดอยู่เราก็ต้องพุทโทรไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงจะหยุดพุดโทโธได้คาถามจากคุณวานิดาถ้านอนฟังเทศและภาวนาพุทธโทรจะได้บุญไหมคะมันจะได้ความขี้เกียจเเนะี่ยคถามจากคุณนายหนุ่มการตักบาตรจัดเป็นสังฆทานหรือไม่ครับ แล้วแต่ถ้าาในบาทถ้าพระไปแบ่งกันก็เป็นสังฆทานถ้ า, าไปกินคนเดียวก็เป็นบุคคลิคทานบางวัดเขาไปแบ่งกันอย่างพระป่ า, ปานี่อาหารที่ได้จากบินฑบาทมาเนี่เขาจะเอาไปรวมกันที่สาลาแล้วก็เอามาแบ่งกันแต่ถ้าพระบ้านนี่ยเขาพอบิณฑบาทเสร็จก็กลับกดกดไครกดมันก็เป็นของส่วนตัวไปไม่ได้เป็นของส่วนรวมคาว่าสังฆทานแปลว่าส่วนรวม สงไงคำว่าสงนี้แปลว่าคำว่าสงไม่ใช่เป็นพระพระองค์ใดองค์หนึง่งพระภิกษุนี้ถึงเรียกว่าพระรูปใดรูปหนึง่งแต่ถ้าสงนี้หมายถึงส่วนรวมพระที่อยู่ร่วมกันในวัดนี้เรียกว่าสงยิ่งถ้าอยากจะถวายเป็นสังฆทานก็ต้องถวายให้กับสงให้ให้กับวัดไม่ใช่ให้กับพระรูปใดรูปหนึง่งเช่นศาลาหลังนี้สร้างเสร็จเขาก็ไม่ได้ถวายให้เจ้าวัดก็ถวายให้กับวัด ให้เป็นสมบัติของพระทุกรูปทุกพระทุกรูปมีสิทธิ์ที่จะมาใช้ได้ถ้าถ้าถวายให้เราคนเดียวเราเขียนป้ายว่าห้ามพระลูกอื่นขึ้นได้พร <c oughs> <c oughs> าะเป็นของเราคำถามจากคุณนพลเวลาที่ฟังพระเทศแบบถึงพริกถึงขิงเผ็ดเดือด มันกระแทกฐานมีอารมณ์ร่วงไปด้วยมองเฉินเฉินคล้ายโกรธเช่นนี้คือท่านดับโกรธไม่ได้หรือครับไม่หรอกบางทีธรรมะของท่านมันก็มีเผดร้อนแต่มันเผดร้อนเพื่อฆ่ากิเลสมันไม่ได้มาเผ็ดร้อนเพื่อที่จะมาะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็เรื่องเป็นเจิ็ดนิสัยของแต่ละองค์องค์ท่านธรรมะของท่า น, ท, านท่านได้มาแต่ละครั้งนี่มันเผ็ดดูเดือดฆ่ากิเลสที่นี้มัน ดุเดือนพอท่านแสดงวิธีฆ่ามันก็เลยต้องแสดงตามที่ท่านฆ่ามันก็เลยดุเดือนธรรมะบางท่านท่านฆ่ามันแบบนิ่มนวลแบบเสียเข้าเหมือนก็ท่านก็แสดงธรรมก็แบบนิ่มนวลแต่แสบเหมือนกันนะแสบคนละอย่างกันจากที่เลยเวลาฟังแล้วเราฟังแล้วใจเราสะเทือ น, น, นแสดงว่าธรรมะท่านกําลังกําลัง กำลังกระแทกกิเลสไม่ได้กระแทกใจหรอกนี่ก็กิเลสมันอยู่ในใจมันใจเลยก็สะเทือนไปด้วยแต่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วที่จะดูดเดือดขนาดไหนฟังก็จะไม่สะเทือนใจแต่ถ้ามีกิเลสเนี่ยพอเจอธรรมะปั๊บนี่ยมันจะสะเทือนใจขึ้นมาเลยหรือโดนใจเขาเรียกว่าธรรมะโดนใจถึงใจถูกใจถูกกิเลสไม่ใช่อะไรหรอกคำถามสักคุณวานิตา ถ้าเวลาจะสวดมนต์จำเป็นต้องจุดทูบเทียนบูชาพระไหมเพราะบางคนเป็นภูมิแพ้ควันทูบอ๋อไม่จำเป็นจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้การสวดนี่สำคัญที่สติไม่ใช่สำคัญที่ทูปเทียนนะสวดต้องมีสติอยู่กับการสวดอย่างเดียวให้ใจอยู่กับการสวดไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นนะถ้าคิดถึงเรื่องอื่นการสวดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้สติ การสวนนี่เพื่อการเป็นการฝึกสติให้ใจอยู่เรื่องเดียวไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าได้สติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันสงบถ้าไม่มีความสงบไม่มีสมาธิก็ใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ ดั้นต้องมาเริ่มต้นที่สติต้องมาฝึกสติด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธอย่างนี้แต่ต้องอยู่กับการสวดอยู่กับกรรมบริกรรมอย่างเดียวการบริกรรมนี่มันดีหรือการสวดมันดีเราสามารถทําได้ตลอดเวลาถ้าเราทําถ้าเราสวดไปภายในใจนี่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็สวดไปเลยสวดมนต์ไปแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันไป เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างนี้เราก็เป็นการฝึกสติไปในขณะที่เราทำภารกิจประจำวันของเราเราก็จะได้ประโยชน์สองต่อได้ได ด, ด, ด, ดูแลร่างกายของเราแล้วก็ได้ดูแลใจของเราให้มีสติถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่สวดไม่บริกรรมเดี๋ยวเรา ดูแลร่างกายไปอาบน้ําไปก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ใจก็ลอยไปไม่มีสติพอมีอารมณ์มาก็ดับมันไม่ได้หยุดไปไม่ได้แต่ถ้ามีสติพอมีอารมณ์มาก็หยุดมันได้พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็หายไปฉะนั้นต้องพยายา ม, มฝึกสติให้มากๆจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินี่เริ่มต้นที่สติจุดเริ่มต้นของการขับรถนี่อยู่ที่ไหนรู้ปะ อยู่ที่กุญแจไง่ที่กุญแจรถถ้าไม่มีกุญแจรถไปไม่ได้หรอกรถมันจะมีราคากี่ล้านกี่ร้อยล้านมันก็วิ่งไปไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจฉะนั้นต้องรักษากุญแจไว้ให้ดีการที่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้มีสมาธิก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็จะไม่เกิด ปัญญาก็ไม่เกิดเกิดก็ไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสได้นั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเริ่มต้นที่สติต้องมีความเพียรพยายามสร้างสติขึ้นมาตลอดเวลาควบคุมความคิดให้ได้ตลอดเวลาหยุดความคิดให้ได้ตลอดเวลานะครต่อไปทุกอย่างจะตามมาเองสมาธิจะตามมาปัญญาจะตามมาการหลุดพ้นจากความทุกข์จะตามมา มีอีกไหมอ่มาขามาต่อคำถามจากคุณทิติชัยคะ่ะในฐานะคารวะการทำความเพียรคือการทำทานศีลภาวนาอย่างสม่าเสมอใช่ไหมครับอ่าก็ต้องทำทุกอย่างให้มันครบร้อยเนี่ยทำทานก็ต้องให้ครบร้อยรักษาศีลก็ต้องให้ครบร้อยทาทานให้ครบร้อยทำไงก็ทำให้หมดเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นไม่เอาไปใช้กับกิเลส ใช้กับร่างกายอย่างเดียวพวกที่ออกบวชก็สละไปหมดเลยแล้วก็จะได้ไปรักษาศีลได้เต็มร้อยได้ไปภาวนาได้เต็มร้อยแต่ญาติโยมก็ทําได้แบบมือสมัครเล่นแค่ร้อยละสิบทาบุญทีร้อยละสิรักษาศีลทีร้อยละสิบบางวันก็รักษาบางวันก็ไม่รักษากรักษาร้อยละสิภาวนาก็วันละครึ่งวันละ15นาที20นาที บางวันก็ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิเลยบางวันก็ไม่พุทธโธเล ย, ยเรียกว่าคาราวาดเป็นมือสมัรเล่นะยังหวังผลจากการปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นมืออาชีพต้องทำทานเต็มร้อยก่อนมีสมบัติข้าวของเงินทองก็สละไปหมดแล้วก็ไปบวชไปอยู่แบบไม่ต้องใช้ข้าวของไม่ต้องมีเงินมีทองอาศัยการให้ของผู้อื่นอาศัยการบิณฑบาต อะไรทํานองนี้เราจะได้มีเวลารักษาศีลได้เต็มที่มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาได้เต็มที่นี่แหละคือมืออาชีพแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากมือสมัครน่นก่อนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นพระไปบวชเป็นชีเป็นพระได้ก็ต้องเกิดมาก็ต้องเป็นคาวรวะญาติโยมก่อนแต่พอหลังจากได้ยินได้ฟังธรรมะเริ่มหัดฝึกฝนทําทานศีลภาวนาเห็นมีคุณค่ามีประโยชน์ ทำให้จิตใจสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงก็จะเกิดศรัทธาที่จะทำให้เพิ่มมากขึ้นอย่างร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบสามสิบสี่สิบขึ้นไปเดี๋ยวนีนในที่สุดก็เต็มร้อยพอเต็มร้อยก็มาบวชเป็นพระเป็นชีกันแล้วก็หลุดพ้นเป็นพระอริยะกันไปในที่สุดก็ต้องเริ่มต้นจากมือสมัครเล่นก่อนแต่อยาอย่าเป็นมือสมัครเล่นไปอย่างถาวรก็แล้วกัน ต้องคิดถึงการไปเป็นมืออาชีพว่ามือสมัครเล่นไม่ได้เหรียญไม่ได้รางวัลนะพวกที่อยากจะได้รางวัลนี่ก็ต้องไปเป็นมืออาชีพกันพวกนักกีฬาต่างๆถ้าเป็นมือสมัครเล่นก็เล่นไปเพื่อออกกําลังกายเพื่อผ่อนคลายแต่ถ้าอยากจะได้รางวีรางวัลนี่ก็ต้องไปเป็นมืออาชีพเอันได้พวกปฏิบัติธรรมถ้าอยากจะได้รางวัลอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องไปเป็นมืออาชีพ แต่มือเป็นมือสมัครด้านก็จะไม่ได้รางวัลมีหม อ, อีกแค่หนึ่ใหม่แค่หนึ่งนะำคงำถามจากคุณไก่คุณพ่อไม่ชอบทําทานเราทําแทนท่านได้ไหมคะไม่ได้หรอกเรื่องการทําบุญทาทานรักษาศีลภาวนานี่ต้องตัวใครตัวมันของใครของมันทําแทนกันไม่ได้ทําแทนได้พุทธเจ้า่าทาแทนพวกเรากันแล้สิ <c oughs> พวเราเกิดมาก็ไปนิพพานเลยอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยมีพระเยซูมามาถ่ายบาปแทนได้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีของเขาซึ่งฟังตามเหตุผลแล้วมันไม่น่าจะได้พวกเราทําบาปแล้วมีคนอื่นมาถ่ายบาปให้เราได้ก็ดี <c oughs> จะได้ทํามันไปเรื่อยๆทาแล้วเดี๋ยวมีคนมาถ่ายบาปให้เราไม่ได้หรอกใครทํา ก, กฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธคือใครทากรรมอันใดไหว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้รับผลถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้รับผลบุญถ้าไม่ได้ทำบาป ก, ก็ไม่ได้รับผลบาปนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้และนะ้วนั้นมีใครอยากจะถามตบท้ายไหมถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลา